5. พระเจ้าริบทั้งความเป็นโลกใช้อำนาจบงการไปหมดแม้แต่ความเป็นโลกซึ่งมีความหมายมากมายและลึกลามยิ่งในคำว่าโลกเพราะมันมีตั้งแต่โลกที่หมายถึงดาวเคราะห์ในมหาจักรวาลกลบ ที่มนุษย์อาศัยอยู่บนนี้โลกอีกอย่างหมายถึงแผ่นดินมวลมนุษย์ในโลกสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกเรื่องของโลกโลกีและความหมายอื่นอีกมากมายโลกที่หมายถึง องประกอบของสรรพสิ่งทั้งมวลและสังคมของมนุษยชาติบนวายที่คนเกี่ยวข้องอยู่ทั้งกว้างทั้งลึกเช่นโลกกรรมอันหมายถึงลาบยศสรรเสริญสุขที่สำคัญใหญ่ยิ่งในนิยายของมนุษย์โลกกรศน์ อันหมายถึงระบบความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกโลกกระนาดผู้เป็นที่พึ่งของโลกหมายถึงพระพุทธเจ้าโลกกระบาลผู้มีอานาจในโลกทั้งสี่ทิศจะสู่โล ก, กบาลที่มีทั้งชนิดเป็นโล ก, กี มีทางชนิดที่เป็นโรกุตระคือวิญญาณคนโลกมารธรรมเฮ ร, ริโอตปะธรรมที่กลุ้มครองโลกโล ก, กะวัชชะข้อเสียหายที่ทางโลกสิเตียนว่าไม่เหมาะสมไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะทำโลกะวิทูหมายถึง ความรู้ในความเป็นโลกทั้งหลายอย่างถูกต้องดียิ่งจนกระทั่งสามารถอยู่กับโลกนั้นๆชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ติดยึดอย่างหลงโมหะหรืออวิชชาโล ก, กันคือผู้หลงโลกธรรมมากถึงมากที่สุด จึงเป็นผู้มีทุกข์มากที่สุดนั่นแหละผู้อยู่ในขุมนรกที่ลึกร้อนที่สุดไม่ว่าจะเป็นนรกในชีวิตปัจจุบันหรือยิ่งตายไปก็ยิ่งจะเป็นนรกที่จริงยิ่งกว่าในชีวิตเป็นปนอีกหลายเท่า โลกาที่บดีผู้ที่คนยอมรับว่าเป็นใหญ่ในสังคมในโลกโลกาทิปไตายอำนาจของโลกทั้งที่เป็นอำนาจของลาบยศสรรเสริญสุขของโลกิยะทั้งที่เป็นอำนาจของคนผู้มีอำนาจเหนือกว่าตนที่ปุตุชนตกเป็นทาสอยู่ โลกานนวัตความประพฤตตามโลกโลกาพิวัตโลกไร้ผมแดนกระแสโลกที่มีทางพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทางทางการเมืองทางสังคมทางวัฒนธรรมและอื่นๆแพ่กระจายออกไปทั่วโลกอย่างหาประมาณไม่ได้ทั่วถึงกันหมด ไม่มีขีดกั้นขั้นได้โลกาธาริยาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อมนุษยโลกโลกายัตรลัทธิที่เชื่อว่าไม่มีโลกหน้าลัทธิที่เป็นวัตถุนิยมจัดเชื่อว่านามธรรมมีแต่ในปัจจุบันนี้ โลกามิตรเครื่องล่อใจของโลกโลกียศัพ์ทรับแบบที่ปุตุชนหลงไหลนับถือกันโลกหน้าผู้มิชฉาทิถีเห็นว่าโลกหลังจากที่คนตายแล้ววิญญาณออกจากร่างไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ไม่รู้อยู่ที่ไหน แ่ผู้สัมมาทิฏฐิเห็นว่าโลกของจิตใจในปัจจุบันนี้เองที่จะเริญนพัฒนาพาเกิดเป็นอริยบุคคลโอปปาติกะโยนิที่จริงแท้ซึ่งโลกหน้าสัมปรายภพหรือโลกอื่นปรรโลก อันเป็นโลกใหม่โลกอารยะโรกุตระที่เป็นโลกสิวิลายสิวิลยเซชั่นแท้จริงมนุษย์ทุกคนน่าจะมาศึกษาให้สัมมาทิธฐิอย่างสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองของโลกมนุษยชาติโลกใหม่โลกียะหมายถึงดินแดนใหม่ แผ่นดินพื้นที่ใหม่อันเป็นมหาภูตสีเป็นต้นส่วนโลกุตละนั้นหมายถึงโลกทางกิจใจที่มีอำนาจในตนไม่เป็นธาตุโลกี